ถ้าหากระลึกแล้วไม่หายอันนี้พระองค์กล่าวว่าอิติปิโสพัทวาอรหังสัมมาสัมพุทโธนพองค์พูดให้คนภาษานั้นเข้าฟังนะถ้าพูดภาษาไทยก็ระลึกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นนะ่ะเป็นท่าอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จดีแล้วเนี่ยนะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อันนะจะ ก, กำจกัดความกลัวความขนพองสยองกล้าวได้ทันการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างน้อยขณะนั้นกำจัดบาปอากุศลแล้วถ้าในบรรดากรรมมณิมิตอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์เนี่ยนะถ้าเราไม่เคยไปด่าพระพุทธเจ้าเอาไว้ไม่เคยไปทําลายพระสถูปทําลายพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนึกแลก้วจิตต้องพองใสใช่ไหมบอกว่าฝันที่เป็นกุศลก็คือฝันว่ากราบว่าหว้พระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็ให้ผลเป็นสุขไห ให้คนเป็นสุขแล้วก็ใครที่ฝันเห็นพระเจดีย์บ่อยๆนี่ก็ถ้าตายช่วงนั้นก็ไม่น่าห่วงไงไหมแต่ฝันว่าไปด่าใครมานั่งนะฝันว่าตำหนิลูกน้องอยู่ครึ่งคืนอย่างเงี้ยไหมถ้าอย่างนี้ก็ขขจะฝันร้ายนแน่เลยคืนนั้นเพราะฉะนั้นอการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้เนี่ยระลึกได้แม้กระทั่งว่าฝันก็ยังกราบไหว้พระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยก็ประกาศ ถ, ถึงสัจทินซีนี่มีกําลังมากเไงไนะ ไม่ใช่ว่าสัตธินซีมีกำลังมากเขาชวนไปกราบภูเขาจอมเปลวกที่ไหนก็ไปหมดไม่ใช่อันนั้นอะไรมากออคิดเอากนเดียวกันแล้วกันอันน้อมน้อมพระตนะตายเนี่ยนะโดยจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นสะพานข้ามอบายเป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้าใครที่เรียกว่านึกถึงศีลของตัวเองมาแล้วก็กับพร่องกบรบแพ่ง เ, เกิดมาเพื่อรักษาศีลอยู่ไม่กี่วัน น, นะที่เหลือไม่ใช่เลยอย่างงี้นะ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าดีที่สุดแต่ถ้าศีลดีจริงๆก็ไม่มีปัญหาหลักๆงั้นเอถอะท่านนะท่านนึกแล้วก็เออเนี่ยนะเว้นจากปานาติบาตไม่ใช่ไก่ก็โผล่มาเต็ดก็โผล่มาปลาก็โผล่มาเรื่อยผ่านมาเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะท่านนึกถึงเมตตาที่เราเคยเจริญเอาไว้เนี่ยนะจริงๆเมตตาก็เป็นกรรมนิมิตอารมณ์นะ เนื้อถึงเมตตาไปแล้วเออคนโน้นเราก็ไปโกรธเขาไว้คนนี้เราก็ไม่ชอบคนนั้นก็ชังอ่ะย่าไปคิดเลยพอละไปคิดถึงพระพุทธเจ้าดีกว่านะเขคิดตอนนั้นเนี่ยแย่แน่ทั้นก็ถ้าใครที่เรียกว่าบุญประจําตัวน้อยเนี่ยนะเป็นคนบุญน้อยทั้งหลายบุญน้อยปแปลว่าทําบุญไว้น้อยเนี่ยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าดีที่สุด แต่ก็คิดให้ดีนะถ้าใครที่เคยไปทําลายพระพุทธรูปไปด่าพระพุทธเจ้าไว้ก็รีบขอขอมาอาไว้ให้เสร็จนยนะถ้าขอขอมาไว้ไม่เสร็จไปนึกถึงในตอนนั้นนี่ก็ยุ่งอีกนะเพราะประตูอบายกับประตูสวรรค์มันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันแล้วแต่จัมมานะสิการ์นะแต่ถ้าคนคิดเป็นมันก็สามารถที่จะสมมติว่าเห็นไฟนะในนิมิตเลยเนี่ยเห็นไฟเนี่ยถามว่าไปดีหรือไปไม่ดีเอาถ้าเกิดมาเราเอาแต่ จุดเทียนบูชาพระไว้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยจดีหรือไม่ดีดีนะถ้าเหตุฝันเห็นควันขโมงเลยนะดีหรือไม่ดีดอ๋อถ้าควันทูบ ก, ก็ดีแนตะถ้าควันอันอื่นเนี่ยยุ่งเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่เราฉลาดคิดให้เป็นบุญหรือเปล่าคิดถ้าสมมุติว่าฝันเออธมรมชาติจิตก่อนจะตายคิดถึงปลาถามว่าดีหรือไม่ดีอ่านะถ้านึกถึงปล่อยปลาไว้ก็ดีแต่นึกถึงทุบทูบหัวปลาก็ อันนี้ก็รีบคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนซะนะนะท่า น, น, นก็ดีทีถ้าภาพบุญมากอยู่แล้วก็ไม่น่าห่วงกันนะแต่ถ้าใครบุญน้อยๆก่อนเนี่ยถ้าคิดจะข้ามอบายนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสะพานที่มั่นคงที่สุดแข็งแรงที่สุดแล้วแต่ถ้าเจริญจนได้โสดาปติมัคถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าเป็นห่ว ง, งนะให้น้อมใจไปหาบุญที่เรากุศลที่เกิดจากการเจริญสมถะวิปัสนาไว้ให้เต็มที่แต่ถ้ายังไม่ค่อยแน่ใจอะไรนะคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยปลอดภัยที่สุด เนี่ยนะก็ถ้าเราสวดมนต์แปลได้นะก็เวลาก่อนจะไม่สบายใจเนี่ยเรารู้ว่างานเนี้ยถ้าไปเนี่ยไม่สบายใจแน่นะก็เจริญผู้ธักคุณไว้ให้เสร็จก่อนที่มันจะไม่สบายใจเนี่ยนะก็ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปในสถานที่ที่มันหนาวเนี่ยเราจะทำไงเราก็ห า, อาของที่มันอุ่นไปด้วยใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าไปสถานที่ใดที่จะก่อให้เกิดราคะก่อให้เกิดโทสะก่อให้เกิดโมหะก็ จเจริญผู้ทานุสติได้มีอยู่สูตรหนึ่งนะพระองค์บอกว่าผู้ธานุสติเป็นต้นแม้กระทั่งนอนอยู่กับบุตรภรยาก็จเจริญได้สอนพระเจ้ามหานามะเนี่ยนะพระเจ้ามหานามะมีอยู่ในอังคุตระใกายเนี่ยสอนว่าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนั่งหยอกกับลูกไปจเจริญผู้ทานุสติไปใครทําได้ก็เก่งมากแล้วนะแต่หมายความว่าสถานที่ตรงนั้นก็จเจริญได้ไม่เป็นไร แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเจริญงอกงามมากไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่บอกว่าตรงนั้นก็เจริญได้แต่ไม่ได้ว่าโอหตรงนั้นเนี่เจริญงอกงามมากไม่ได้ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฟังให้ดีก่อนแล้วกันฟังไม่ดีก็เลยกลายเป็นว่า น, นั่งเรียกว่าย่วกับหลานเล่นกับลูกแล้วก็สอนแล้วก็เจริญพุทธานุสติปะเนี่ยนะอรหังจบหรือเปล่าก็ไม่รู้อรหังอะไรบ้างนะไกลาจากกิเลสอะไรกําจัดถ้าศึกคือกิเลส สามหักซีกรรมแห่งสังสาระจักคู่ควรแก่ทักษิณาควรแก่การเคารพสการะบูชาแต่อไปไม่มีความลับในการกระทําบาปดีกากบอกว่าห่างจากคนชั่วทั้งหลายใกล้คนดีทั้งหลายคนดีท่านไม่ทอดทิ้งเป็นผู้ไม่มีบาปประธรรมทั้งหลายผู้ไม่มีการไปสู่พบนะแปลว่าไม่ไปเกิดณนะพบใดพบหนึ่งเป็นผู้ควรแก่การ สรรเสริญเป็นอย่างยิ่ ง, งนะถ้าเอาคุณธรรมแต่ละอย่างมาพิจารณาดูก็จะเห็นมากขึ้นแต่ถ้าบทว่าสัมมาสัมพุทโธนะใครเจริญไม่เป็นเรียนปฏิสัมพิธาเนี่ยเจริญเป็นเลยถ้าเรียนปฏิสัมพิธาแล้วเจริญพุทธานุสติบทว่าสัมมาสัมพุทโธไม่เป็นนี่ก็ก็แสดงว่าไม่ได้มาเรียนออกมาหลับก็เขามีนะเขาบอกว่าในไทยกขาบอกว่าปฏิเสธอภิธรรมเหมือนันบอ ก, บ อ, ก อ, อภิธรรมไม่มีในะพระไตรปิฎกบอกว่า ท่านไม่ได้เรียนอภิธรรมมาหรือเปล่าข้าพเจ้าเรียนแต่วินัยมาสแสดงว่าชั่วโมงเรียนวินัยท่านนั่งหลับเป็นแน่เลยไม่เห็นคําว่าอาภิธรรมอยู่ในนั้นเหมือนกันเขบอกข้าพเจ้าเป็นนักพระสูตรเหมือนกันอภิธรรมไม่มีหรอกในพระสูตรบอกสองสัยตอนเรียนตอนเรียนพระสูตรอยู่สงสัยตอนนั้นเนี่ย น, น, นั่งหลับเป็นแน่เลยไม่ได้เลยไม่ได้ยินคําว่าอาภิธรรมในพระสูตรเหมือนกันเขาก็มีอย่างนั้นนะของเราทั้งหลายถ้าเรียนพุทธานุสติบทว่าสัมมาสัมพุโทโธเออเรียนปฏิสัมพิธามมรร แล้เจริญสัมมาสัมพุโทโธมาแล้วก็แสดงว่าไม่ได้เรียนอย่าไปอ้างอธรรมาด้วยจะเสียชื่อด้วยที่จริงแล้วในบรรดาบุญทั้งหลายเนี่ยนะการนอบน้อมบุคคลที่เลิศบุญที่เลิศย่อมเจริญแก่ บ, บุคคลนั้นเมื่อเช้าเนี้่ยได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าการเจริญพุท ธ, ธานุสติการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นการเจริญอินทรีย์ข้อไหนสัพพินรียเจริญแบบรู้คุณนะไม่ใช่เขาว่าดีก็ว่าดีกับเขาแต่ก็ดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะ แต่ถ้าถามว่าสวดมนต์แบบไม่ค่อยรู้เรื่องกับนั่งดูทีวีเนี่ยไหนดีกว่ากันของมาก็บอกว่าสวดมนต์อย่างนั้นดีกว่าอย่างน้อยก็บุญไม่ค่อยมากแต่ว่าไม่ไปทําบาปมันดีแล้วยานาวิปปยุทธกับโทสะไหนดะีกว่ากันบุญบุญที่เป็นยานาวิปปยุทธกับโทสะนะโอ้ยบุญยานาวิปปยุทธ ด, ดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ให้จิตน้อมไปเพื่อที่จะนอบน้อมเธอะถ้านอบน้อมได้บ่อยๆเนี่ยนะถ้าใครที่ ที่เจริญกุศลเอาไว้เยอะๆนะ เ, เวลาเราเลึกถึงแบบกรรมมณิมิตอารมณ์เนี่ยนะจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เอาแบบผู้การว่าถนนสายไหนมั่งไม่ปล่อยปลาไว้มีไหมผู้การถ้าอย่างเงี้ยก็สบายแล้วนะถนนสายไหนมั่งไม่เคยให้ทานไว้อย่างเงี้ยเนือ ป, ประเทศไทยจังหวัดไหนมั่งที่เราไปแล้วเราไม่ได้กราบไหว้พระพร ะ, พระเนี่ยนะมีไหมอย่างเงี้ยก็เป็น นึถึงกรุงเทพก็โอ้ไปไหว้ภูเขาทองแลว้วอย่างเงี้ยไปนึกถึงตรงนั้นตรงนี้ก็ได้กราบได้ไหว้ก็อ่อนน้อมอะ่ะนะเพราะที่เรากราบเนี่ยเราระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเงั้นการละลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนี่ยในบรรดาบุญทั้งหลายก็ไม่รู้จะเอาอะไรดีกว่านี้อีกแล้วบรรดาบุญทั้งหลายทั่วๆวไปนะแต่ถ้าเราไปเทียบกับสมถาวิปัสนานี้สมถาวิปัสนาเนี่ยนะถ้าไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้าเลยนะเจริญยังไงอ่ะ ถึงคุณเจริญเป็นว่ารูปไม่เที่ยงเรทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงแต่ไม่รู้คุณพระตนะตายเลยถามว่าเจริญไปทำไมไม่เที่ยงของเราและเจริญแล้วไปจบที่ไหนอย่าลืมว่าพระโสดาบันทั้งหลายเนี่ยที่ท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยเพราะท่านมีโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการคืออะไรก็เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วหนึ่งมั่นคงในพระพุทธเจ้า พระโสดาบันเนี่ยนะพอฟังคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะกิเลสท่านส ม, มตุติราคะโทสะโมหะกําเริบนะท่านนึกเท่านั้นแหละท่านลดเลยท่านท่านจะไม่สมมติที่เสียที่กโกรธใครอยู่นะที่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะหายกโกรธเลยถ้ากําลังโลภกําลังเพลิดเพลินอะไรอยู่นะนึกถึงพระพุทธเจ้านี้หายเลยอะ่ะอากุศลเหล่านั้นมันลดลงเลยความที่สัพทินรีท่านมีกําลังขนาดนั้นจิตเศ้ามองหรือคนที่ศรัทธาในพระธรรมมากเลยนะ ใครเคยมั่งว่าอากุศลเกิดและสาธยายพระสูตรที่เราเลื่อมใสามากเลยนะสาธยายสักครึ่งชั่วโมงดูนะถามว่าอากุศลลดลงไหมนะผู้การลดไหมนะข้างง่วงก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่เอ า, เอ า, เอาตอนตื่นๆเนี่ยโลภอะไรนะอากุศลประเภทอสังขาริกกันนะปกติลดนะ ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าถ้าเจริญได้ ย, วยาวๆนะแต่แต่ถ้าควบคู่กันไปนะคิดถึงทางนี้บ้างคิดถึงทางนั้นบ้างก็สลับกัน ก็ยังดีกว่าไม่เจริญเลยนะคาถาแรกนี้เป็นการนอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นเป็นคาถาหลักเนี่ยนะสําหรับผู้ที่มีศรัทธานในพระตัตนมตรายเนี่ยนะอ่านบทนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งบางท่านท่านก็ท่องเอาไว้นะเพราะว่าเป็นเป็นวิธีการเจริญพุทธานุสติอีกวิธีหนึ่งเพราะถ้อยคําเหล่าเนี้ยเป็นเป็นคําที่พระที่เรียบเรียงคำภีร์เนี่ยท่านกลั่นมาจากความรู้สึกของท่านว่า ท่านเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในแง่ไหนท่านเคารพพระพุทธเจ้าในในประเด็นใดเนี่ยนะเคยถามหลายๆท่านว่าคุณเลื่อมใสพระพุทธเจ้าที่สุดในด้านไหนก็พระนางสุปวาสาโกรลยัติดาเนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าสมัยนี้ฟังแล้วเหลือเชื่อคือตอนที่นางมีคันพระศิวลีเนี่ยนะก็มีท้องอยู่เจ็ดปี แล้วก็คันหลงอีกเจ็ดวันไอตอนคันมันหลงเจ็ดวันคือจะคลอดก็ไม่คลอดพอคลอดมาแล้วก็ขวางเรื่อยอย่างเงี้ยไงอยู่เจ็ดวันด้วยกันทรมานมากนางได้ระลึกถึงพระตนณาตรายเนี่ยสามบทคือนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูธร้ธรรมะเป็นที่พ้นจากกองทุกเหล่านี้แล้ว น, น้องเนี่ยนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นกองทุกเหล่านี้ใช่ไหมกองทุกที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนั้นก็คือ ขันห้าคือทุกขคือขันห้าขันห้านั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นด้วยพระนิพานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพ้นจากขันห้าอันธรรมะนั้นสงบระงับจากขันห้าจริงนั้นพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วแล้วก็บอกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะถ้าอริยมรรคทาให้พ้นจากทุกขเหล่านี้พระนิพานเนี่ยสงบจากกองทุกขอันนี้แล้วก็ภาษาทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติเพื่อ พ้นทุกเหล่านี้เนี่ยนะท่านก็เจริญในลักษณะนี้ท่านเป็นการเจริญควบคู่กับการเจริญวิปัสสนาไปในตัวด้วยเนี่ยนะและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าควบคู่กับการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะท่านก็น้อมว่าพระพุทธเจ้าในตรัสรู้ทุกเหล่านี้โดยปริญญากิจเรียบร้อยแล้วนะพระองค์ก็ทําให้แจ้งพระนิพพานที่สงบจากสิ่งเหล่านี้จริงๆเนี่ยนะคำสอนที่พระองค์สอนทั้งหมดจุดประสงค์เป้าหมายก็เพื่อให้ออกจาก กองทุก์ที่มีอยู่นี่แหละและพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็มุ่งปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่ป่วยเนี่ยก็เพื่อให้พ้นจากทุกเหล่านี้นั่นเองเพราะในตอนหลังเนี่ยท่านจะเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดหรือเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุ ด, สสดก็ไม่กระสับกระส่ายเพราะอะไรเพราะท่านทําปริญญาในในสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วนั่นแม้กระทั่งผู้ที่เป็นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะ เมื่อเมื่อท่านได้ทําปริญญาหมดแล้วเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจท่านก็ทําปริญญาหมดแล้ววัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจท่านก็ทําปริญญาได้ได้เสร็จแล้วฉะนั้นของเราก็ให้เห็นคุณในในด้านนั้นก็ได้เนี่ยนะว่าพระองค์เนี่ยแนะนําเราสอนเราให้ให้พิจารณาอย่างไรก็ผู้ที่ป่วยไข้เนี่ยนะก็ไปดูานาถปินทีโกวาทสูตรด้วยก็ประกอบก็ดีเนี่ยนะ อนั t ปินิโกวาทสูตร น, ะ น, 23, นั่นเะล่มยีิบสามเนี่ยนะก็ก็น่าจะดีหรือว่าปุลโนวาทสูตรเนี่ยนะที่พระองค์สอนเออขอไปชันโนวาทสูตรเนี่ยนะที่สอนพระชั้นนะเนี่ยนะก็ดีเนี่นะคือที่เรณาในพระสูตรหลายๆสูตรเนี่ยนะก็จะช่วยให้เราว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าใครเกิดมาแล้วไม่รู้จักป่วยไม่รู้จักไข้แล้วก็ไม่แก่แล้วก็ไม่ตายด้วยนะ พระพุทธเจ้าไม่รู้จะสอนธรรมะทำอะไรเนี่ยนะเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่พระพุทธเจ้าจึงจึงต้องมีในโลกเพื่อที่จะอนุเคราะห์ให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากกองทุกเหล่านี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะใครที่มีความเข้าใจเห็นชัดในในสภาวะธรรมเนี่ยนะมีความเข้าใจชัดในเอาสมมตินายกเอาหัวเนี่ยมาทำปริญญากันหมดอะ่ะมีหัวใครมั่งไม่ปวดอ่ะ มีศีรษะใครมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกกาปริเทวทุกขโทมนัทและอุปายาตเนี่ยมีไหมตรงไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขกายญิญญาเนี่ยมันสิการดูเถอะส่วนไหนเพราะฉะนั้นพวกนี้เรียกว่าเป็นตัวมันเองเนี่ยเป็นโรคโต้อะนะให้พิจารณาโดยความเป็นโรคผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นโรคเนี่ยเน้นท่านแนะนําให้พิจารณาตอนที่มันยังไม่ค่อยป่วยนะบอกว่าป่วยแล้วก็มันก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าป่วยแล้วสําหรับบางคนก็จะ เออป่วยแล้วได้ประสบะการณ์มาแต่ว่าแต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆขันห้าเนี่ยเนี่ที่จะห้ามไม่ให้ป่วยไม่ห้ามไม่ได้หรอกเนี่ยนก็ถือว่าเป็นธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลาย